ได้ยินได้ฟังเอาไว้ก็อาจจะเกิดการกระทําขึ้นมาในข้าวโดยข้าวนั่งบอกคืชบอกถูกแล้วก็สิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่ตัวเราเองก็ได้เห็นได้สังผกต แตไ้ไม่ได้จนในสิ่งที่มันผิดจะทำให้มันถูกต้องได้โดยเฉพาะเรื่องจิตใจมันเป็นใหญ่มันเป็นหัวหน้ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจอะไรถ้าปล่อยปละแล้วเลยมันก็สุขสนคิดก็คิดได้ทุกอย่าง วิชากรรมาฐานเป็นวิชาที่สอนใจโดยตรงหาศสนิมิตผืกายมันก็มีกายมีใจที่ว่ารูปเรียบวันนามมันแยกกันไว้ได้มีสติเหมือนกับเป็นสิ่งที่ดึง จิตใจเข้าเข้าบ้านก็ว่าได้บ้านของจิตคือปกติบางทีตั้งแต่หลายปีมาแล้วจิตไม่มีบ้านพัดจินอยู่เรื่อยกลางคืนต้นควานกลางวันต้นเตวกลางคืนว่าฝันกลงวันก็ว่าคิด นั่นและจิตพัดถิมนพัดปานแล้วก็ พ, พ า, กาไปไปย่อมอะไรเปะเลอะเทอะไปหมดเมื่อจิตแพปานก็เป็นจิตที่เถื่อนรับใช้จิงต่างๆที่ไม่ถูกตรองได้ไม่เคยสอนจิตสักที ต้แต่เกิดจนตายก็มีบางชีวิตวิชากรรมฐ า, านอยู่วตวารารามเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติเป็นนักศึกษาเป็นนักปริยัติบ้างเรียนรู้รู้เหตุที่บ้าง เรื่องกายเรื่องใจนี่ไม่มีแผนที่จะไม่รู้จักแผนที่ก็หลงคิดหลงทางได้หลงกายหลงใจไม่ใช่เรื่องเล็กถึงคอขาดปาตายจะทุกข์เป็นโทษ ต, ตัวเองและคนอื่นจึงสมควรที่ต้องฝึก กายใจนี่ให้มันใช้งานได้สิงที่มันถูกสิงที่มันผิดรูปหมดรูปครบรูปท่วนวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เป็นตัวเฉลยเป็นสตินี่เป็นตัวเฉลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกว่ากับใจ ให้มันจบไปชะเฉลยได้หมดซะลู้หมดซะมันไม่ยากมันทำได้ทุกคนเพราะมันเกิดทิ่กายที่ใจนี่กายก็ค อ, อยู่นี่ใจก็อยู่นี่สติก็อยู่นี่ปฏิบัติได้ ผู้เจริญสติจริงๆมีสติภายในกายในใจจริงๆก็จะเห็นกระเสปณิพานทันทีก็ได้กระเสปณิพานเลยตอนทำถูกก็มีสติภายในกายเห็นกายจักรวากายไม่ใช่สัตว์บุคุลโตต้นล้อเขา งที่มาเกิดขึ้นกับกายให้เห็นอย่างนี้นี่คือทางไปสู่มรรคส่ผลจะเอามาเป็นตัวเป็นตนซ้อนขึ้นไปกายในกายเอาเรื่องของกายมาเป็นชุบเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นถึงกับเกิดความพอใจไม่พอใจจะให้กายไม่เป็นเรื่องเห็นชุบเป็นทุกข์ ไม่เห็นจักแต่ว่าทางไปนิพพานคือเป็นอย่างนี้ก็ง่ายๆ่ายถ้าได้มีสติเห็นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเหมือนกันหมดส ต, ติเป็นตัวหลักเหมือนกันหมดทาได้ทุกครั้งที่มุกตาผิดเป็นถูกทุกครั้ง ได้มีการกระทําเกิดขึ้นโดยเฉพาะวิชากรรมฐานนี่หลบปลีกไม่ได้มาจย่างไงก็ต้องเป็นกรรมฐานที่ตั้งของการกระทําอยู่เสมอยึดหลักนี้ไปเห็นได้ทําไม่เป็นในตัวเองใจช่วยตัวเองง่ายเป็นก็ต้องมีสติดึงเข้ามารู้สึกตัว ต่อไปมันจะช่วยตัวเองเป็นกายก็จะช่วยเองใจก็จะช่วยตัวเอ ง, เองถ้าหัดมันถูกแล้วมันจะรู้เองไม่มีอะไรที่รู้ดีรู้ผิดรู้ถูกโท่กกากับกายกับใจเมื่อมนรู้เองจิตมันก็จะดูคิดเอง มันก็เข้ากันดีกับสติเป็นหนึ่งเดียวไปเลยสติกิดกายเป็นมรรคผลนิพพานไปเลยไม่ได้เปิดก้ามันเติแล้วนั้นไม่มีอะไรนี่แต่พะว่าที่รู้เป็นธาตุรู้เป็นปิญญาธาตุที่มันรู้ธาตุรู้ธาตุรู้ที่มันรู้เนี่ย ปฏวาัติรูชื่อชื่อปฏิาวาัติรูตรงตงปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติออกจากทุกข์คือรูชื่อๆนี่รูรูแล้วรูแล้วปฏิาวาัติรูไม่ติดตะวันไลยไม่ไปย่อมติดกับจิงไหนรูไง มันจึงเหนือโลกสุขก็รู้เนี่ยทุกก็รู้เนี่ยิด ก, ก็รู้เนี่ ย, ยถูกก็รู้สงบก็รู้ปุงสานก็รู้นี่ตอได้หลักนี้มันก็ทะลุทะลวงได้ไกลๆเหมือนอาวุธที่ยิงได้ไกลปา่าพระจิกได ทุกรูปแบบเราตั้งต้นให้ดีาตั้งต้นแต่เปแต่ป่ไม่ได้สัมผัสไม่ได้มีศรัทธาไม่ได้เกิดความเพียรไม่มีพละขึ้นมามันก็อะไรก็ยากผิดก็ยากอยากได้ให้มันถูกยากอยากให้มันถูกก็ยากแก้ความผิดก็ยาก แค่ทุกก็ยากอยากไม่สุข ก, ก็ยากมันจะยากกันหลังอยากจะลูกซื่อเข้าไปนะอันจุขกันทุกข์มันเป็นสังขารทั้งสองอยา่างไม่แต่บุญบาปนี่ผิดถูกวนี่บุญก็รว่าบุญยาพี่สังขานบาป เอาปุจจารพิสังขารอาเนนชายังไม่เป็นบุญเป็นบาปหรือว่าอาเนนชาพีิสังขารพราะจะเป็นสังขารทั้งสองอย่างทวารติลู่เหนือนี่เหนืออย่างนี้เหนือสังขารอย่างนี้ทำได้ก็โตขึ้นนาทีพอทำลงไปใหญ่ขึ้นนาทีพึ่งได้ทันทีเป็น อตาเหีอ้อตาูน่หน้าถ่วทำได้เองทันทีหาเสยลำแข้งเราทันทีสุกก็ทุกสุกเราเองทุกก็ทุกเราเอ ง, กกเเองไม่มีใครช่วยเราขอตัวเลิกไปนเนี่ยเราทำถูกคนอื่นก็ไม่ถูกกับเราเราทำผิดคนอื่นก็ไม่ผิดกับเราตัวเราคนเดียว จึงพอเพียงมั่นใจปฏิบัตินี่มันมั่นใจมันศักดิ์สิทธิ์มันสมใจสําเร็จปฏิบัติธรรมนี่เป็นงานของชีวิตการชีวิตที่เกิดมาเราทำสิ่นี้สําเร็จก็กุ้มค้าวสมค่าที่ได้เกิดมามีการมีใจมีรูปมีนาม บทเรียนที่เกิดจากการจักใจมันเป็นปัญญาย่อเยี้ยมปัญญาพุท ธ, ธะมันเป็นศรัทธาเก้าหน้าศรัทธาไม่ถอยมันไม่ใช่ศรัทธาอื่นวัตถุอื่นพึ่งจิงอื่นพึ่งศรัทธาพึ่งความเพียรพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาเป็นพละงกำลังใหญ่ ที่ทำให้เกิดใช่ยชน้ขึ้นมาสิ่งที่สนับสนุนเป็นพลังร่วมเพื่อทุนแรงเยอะแย ะ, ย ะ, ยะว่าแต่เรามีจิตสิ่งก็เกิดขึ้นได้สมาธิก็เกิดขึ้นได้ปัญญาเกิดขึ้นได้ศรัทธาเกิดขึ้นได้ความเข้มเกิดขึ้นได้ ไม่มีหลายที่ทำไม่ได้สิ่งที่มันเกิดกับขากับใจเรานี้นิดหน่อยนิดน้อยแล้วมีสติเป็นหยาบเป็นวิปัสยนาหยาบลูกแก่แจ้งแจ้งเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี่มีความลู่เดี๋ยวนี้นี่คือความลู่ยกเหมือนเคลื่อนไหวอยู่นี่นี่คือความลู่ลู่สึบตัวของกิง่ง กายอยู่นี่รู้อยู่นี่รู้อยู่นี่ใจอยู่นี่นี่คือของจริงหนึ่งนาทีสองนาทีรู้อยู่นี่หนึ่งวันเจ็ดวันรู้อยู่นี่เมื่อปักหลักได้อย่างนี้มันก็เกิดจิงการฉานขาเกิดดอกออกผลมันทําได้แล้วก็ไม่ต้องทําอีก เป็นมากคเป็นผลอะไรก็เป็นมากคผลตลอดเป็นรูปตัวนี้ตัวรูปตัวนี้เป็นญานเป็นปัญญาเป็นฌานฌานคือเพลงเผาะอะไรก็ขึ้นไม่มีเหลือตับไม่เหลือไม่มีอะไรจิตใจก็ว่างว่างว่างทั้งเต็ม เต็มไปด้วยความไม่มีอะไรว่างจากความเป็นอะไรเต็มไปดูวยความไม่มีอะไรความไม่เป็นอะไ ร, มไมะไรยิ่งใหญ่เหนือโลกสู่ธรรมชาตินี่คือธรรมะธรรมชาติสู่ธรรมชาติธรรมชาติยิ่งใหญ่ธรรมชาติที่เกิดจากกาจากใจนี้ ธรรมชาติถิ่มเกิดจากแผ่นดินโลกนี่ป่าไมา้แม่นะ้นธรรมชาติด้วธรรมชาติของป่าจุดไฟไม่ไหม้ด้วยธรรมชาติจริงๆนะไม่มีอะไรทําบายธรรมชาติได้ฝ น, นตกลงมาวูจะถึงพื้นดินเนี่ยเกือบจะครึ่งชั่วโมง จึงถึงพื้นดินแต่ก่อนอยู่นี่ตั้งแต่ป่าดมสมบูรณ์อยู่น่น้นไม่เคยเห็นน้ำไหลฝนตกตลอดขึ้นไม่เห็นน้ำไหลแต่เห็นแต่น้ำในห้วยมันตึงขึ้นเพราะอะไรเพราะธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ เดี๋ยวนี้ตกเม็ดหนึ่งก็ไหลเม็ดหนึ่งธรรมชาตถถิตกสูญเสียชีวิตเราก็เช่นกันอะไรตกถึงกายก็ไหลไปไม่มีธรรมชาติเลยพอใจไม่พอใจไปอะไรถึงใจก็ไปพอใจไม่พอใจเมื่อมีความพอใจไม่พอใจก็เกิดสมบูรณ์ปัญญา ชอบไม่ชอบเมื่อโชอบไ่ชอบเกิดอุปทานขึ้นมายึดมัน่นถือมัน่นเมื่อยึดมัน่นถือมั่นก็เป็นภกเป็นชาติฉลามรณะโสกกระเที่าทุกข์ตายดับเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ด บ, ด บ, ดบอยู่เรื่อยนไม่มีธรรมาชาติเลยวิ่งอยู่เสมอเถื่นอยู่เสมอไม่เคยฝึกมันก็ ปะเถือนกายก็ปะเถือนใจก็ปะเถือนสมศรนปลอตัวเองทิ่งไม่รู้จักช่วยตัวเองไม่รู้จักช่วยกายช่วยใจเราจึงต้องมาช่วยกายช่วยใจวิชากรรมฐานนี่มาช่วยกายช่วยใจเราไม่มีสติมีสติก็จะได้หลับ ในกำเนิดในชีวิตชีวิตที่ได้จากรูปจักนามเกิดจากการปฏิบัติชีวิตอันนี้ชีวิตไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายรูปนานจริงๆกรรมชาตมันแก่มันเจ็บมันตายตอนสึกเอามาใช่มันเกิดประโยชน์ให้เกิดมีสตินี่ ชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้คือถรรมดาที่รู้นี่มันจึงเหนือขังเกยเจอยนตายสุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้เจ็บก็รู้ตายก็รู้ไม่ได้ตายผู้ค ว, วามตายไม่ได้เจ็บผค ว, วามเก็บนี่คือชีวิตจริงๆมันจึงเหนือพุกเหนือาชิจึงเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ทำไมผึ่มันก็ขี้เหลวเรวกวสัตว์ทั้อ ง, องอื่นงูกว่สัตว์สิงอื่นโกรธข้ามวันข้ามคืนทุกข้ามไปข้ามปีหลักใช่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอดต้อนอดทนต่อริงที่ไม่ถูกต้อง ต้องต้งที่ไม่ได้ทนอะไรวา ง, งไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรจะไปทนอะไรจุกก็ไม่ได้มีทุกก็ไม่ได้มีไม่มีเรื่องอดกั้นอดทนธรรมชาติมันช่นชวยทำยำรักษาผูวว้ประพฤติทำอยู่เป็นนิด ทำย่อมรักษาผู้วิตทำให้ตกไปในที่ชั่วถึงความเจริญงดงามมั่นคงจริงทำรักษาศินรักษาสมาธิรักษาปัญญารักษาที่มันโลภรู้ที่ได้ฝึกมาเนี่ยดีย๋ยวนี้ไม่มีใครรักษากายใจ เถื่อเถือนพร้อมจะเป็นศึกพร้อมจะเป็นทุกพรอ้รอมจะพอใจไม่พอใจพร้อมที่จะโกรธพร้อมทียจหลงอกหน้าอกตาตาเห็นโลกก่หลงหัอใจไม่พอใจหูที่ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจใจหมูกได้กินก็พอใจไม่พอใจนั่นมันพร้อมพร้อมจะหลง ความหลงเป็นใหญ่เป็นโมหะจริตเรหลงก็เกิดโกรธไดเ้เกินโทสะจริตเรหลงเกิดกิเลสตั้ณหาเกิดหล่อฆาจริตจลักทัศนที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนทาตามสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียเปียบความทุกข์เสียเปียกความโกรธได้อะไรไหมมันทุกข์โกรธมันได้อะไรทุกข์มันได้อะไร ไมีแต่ทุกข์แโทษนี่น่อไมส้สางว่าติดก็ไปเองพ่วงก็ไปเองเหลือพ่วงก็ไปเอมากมายหลายอย่างแบบดี้ก่อร่างกายจรรมใดก็ฝันหาเงินหาทองเลยเงินเลทองมาไปใช้อะไร ร่างการมันได้กินไหมอะไรเอาไปกินกินบ่มบ่งบ่มกรบกบท่ายบปากเชินหกปากไล่นะคิดของคนนะนเชื้อหกปากแต่ละปากกินอาหารไม่เหมือนกันต้องหาอาหารหาเหยื่อป้อนมัน ปนเสือหกปาดเหมาแขยงเแรงมากทานเที่ยวหมอสร้างมาสร้า ง, างผลไปรับใช้เสือหกปอดบางทีมีลูกลูกก็ไปได้กินด้วยเสือไปกินก่อนมีเมียเมียก็ไปกินด้วยมีเสือไปกินก่อนพ่อแม่ก็ไปกินด้วย เสื้ อ, อไว้กินก่อนโดยเห็นคนรถจอกมันจอดคิลีไปขอนฉันเห็นคนบนรถเพื่อก่อนว่าจะไปหาเงินขอนฉันไม่เหมือนฉบับเดี๋ยวนี่้ทำงานตองขอนฉันขอยืมเงินกับเพื่อน เงินก็เห็นใจรู้จักการให้เงินร้อยบาทเพื่อจะไปทํางานรับจ้างหาเงินและจะคืนแน่ก็ได้เงินร้อยบาทบาทแรกที่ออกซื่อคือชื่อบุรีสูกนั่นแหะเงินร้อยบาทซื้อบุรีสูกงา่ายนิดเดียวงที่กายก็ไม่ได้กินลูกเมียไม่ได้กิน แมก็บลอตาล่องเพียงให้ฟังระหวานเนเมื่อก่อนยินเล่าคดกงต่อสมาชิกในครอบครัวไม่ซื่อสัตย์ินเล่าจบบุรี่เกี่ยวเตะเละหล่นแล้วก็อะไรเกิดเป็นทรรมไม่มีแต่เราไม่ฝึกหัด ไม่มีความเป็นธรรมกายก็ไม่เลิกควมเป็นธรรมใจก็ไม่เลิกควมเป็นธรรมพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ยิ่งคนเดินจะพึ่งก็พึ่งไม่ได้นี่แหละชีวิตของเราต้องเริ่มต้นจากกรรมฐานและิตตถาเป็นอาชีพมนุษย์เหรียนเก่ง สิบเจ็ดสอนยิงธนูจีมานตัดต้นไม้แข่งขันถึงเทวทัตเจ้าพ่าชายตัดต้นมตไม้ต้นไม้เท่าต้นขานี่ยไอสองพ่าชาย ตัดลองดูสิเราจะแข็งแรงก่านเดี๋ยวถาตัดก่อนตัดทิ้งตัวไม่ล้มถึมจะชนโหชโยชโยชโยจิตะเขาเอกฝีมือลองที่สองีกตัวนเท่ากันตัดทิ้งตัวไม่หนิ่ง แต่าจาจรย์โดนเงียบบกกจอยว่าชิวธาแพ้เกวัทัศน์ช่แล้วแต่ครูพูดจานานบอกว่าชีวธาช น, นะชนะอะไรก็ไม่อย่างยืนอยู่เกวัฏทัศน์ไม่ร่มลงแล้วก็มมจริงดีกว่าชนะ ทูของศิริสถาบว่าต้นไม่ขาดแล้วแต่มันพบความเร็วไม่ตนม้นมไงมากระทบประเทือนยือนอยู่นิ่งได้เราก็ไปดูไปดูต้นไม้ขาดจริงๆนี่ฉีมายิงชนูปันดาบ s า o t ทุกชา o t หลายสา o t ไปจบหมดแต่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไปสืบเหมือนกับที่ทัศน์จิกศาสตเป็นาศาสตร์ที่เกิดพุท ธ, ธาาศาตรไดายจากกาจากเกเรนี้อันนี้ะเสิบจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้เพราะคนคนเดียวนี้เราจึงมีศรัทธาว่าพระเจ้ามีจริงตัดทะลูจริง ด้วยผงเย็นจริงๆสมสอนไม่มีเพิ่มได้ไม่มีตัดได้เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าถ่ายต่อโลกนอนสองพันหกร้อยปีมาแล้วสวัสด า, า์เพระกวฏตอธรรมโมพระธรรมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้ว ใครจะตัดออกไปได้ใครจะเพิ่มไปได้จะมีอะไรมาตัดออกไปไม่มีทางตัดด้ผู้ศึกษาปฏิบัติต้องทำด้วยตนเองปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นปัจจตังของผู้ปฏิบัติสัมผัสเอาผมหลงเป็นยังไงผมไม่หลงเป็นยังไง จริงไหมอะไรมันถูกต้องเป็นปัจจัตตังไหมเราเคลื่อนมืออยู่นี่รู้ไหมต้องถามใครไหมจัจธรรมไม่มีคำถามไม่มีคำตอบตอบได้เอาเองไม่คนเดินตอบแทนไม่ได้เวลามันโกรธเราเปลี่ยนความเป็นไม่โกรธถูกไหม ถูกต้องไหมระหวังความโกรธความไม่โกรธอะไรถูกต้องสัมผัสได้มีจติจเราหมนทุกขเปลี่ยนคมทุกข์ไม่ทุกข์มันอะไรมันเกิดขึ้นต่าที่เปลี่ยนถึงไม่ดีให้เป็นดีมันมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเป็นปกติ ก่อนมันหลงมันไม่ปกติเมื่อเปลี่ยนรูปมันปกติขึ้นมานี่ปกติทุก์มันไม่ปกติเมืเ่อไม่ทุกข์รู้ขึ้นมาเป็นปกติปกติก็เป็นศีลเนี่ ย, ม, ยมันคงอยู่ที่อะไรกิด้นกมันคงอยู่ที่ในสมาธิ มีปัญญาโลภรู้ไวสติไวสมาธิไวปัญญาไว้มาไว้ไว้สติมาไว้ไวสมาธิมาไว้ไว้ปัญญามาไวไวไวกว่าอย่างอื่นในคราวเดียวกันด้วยความรู้จากความหลงด้วยความ ผิดจากความถูกได้ความถูกจากความผิดได้ความไรรทุกจากความทุกข์มันไว้ขนาดนี้แอปเดี๋ยวจีะดูมันก็ไม่มีอะไรที่ขวางกันเลยเพราะว่าที่รู้นี่ยคือว่าจบแล้วจบหมดแล้วจบหมดแล้ว ศาสตร์จบแล้วแต่ถึงว่าทีรู้เนี่เรียกว่ า, าศาสตร์มนต์ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรรู้นี่ศาสตร์มนต์เป็นมนต์ที่จบเหมือนมนต์อื่นตันตื่นไม่จบรวมรู้ที่ได้จากสูตรสาเร็จสองหเป็นจุ สูตรสเร็จสองห้าเป็นสิบเอดไม่ได้ น, นั่นเป็นสูตรสำเร็จแต่ว่าสูตรนั่นตอบได้อยู่แต่ว่าไม่ไปเชื่เรื่องอาซาต์ตนจบแต่ลู่นั่นแต่ไม่ลู่เรื่องนี้อย่างนีโกรธไม่โลภไม่หลงแต่ลู่อย่างนี้ทำ ร, ร, ร้รำายหมด เที่ยงลาบเรียบชีวิตเรียบลาบมิตรภาพมาตรฐานจะว่าสาสนาพระศีอารียเมตตาเป็นดินลาบนหน้ากองใสเป็นดินลาบไม่ใช่เป็นดินแา่ว่าที่รู้น้ำให้นลาบได้ชีวิตปูหรม กิไม่ตาก็ลังไม่ตาเป้ขาคว่ารู้เนี่ยมันก็หมดแล้วไม่ต้องว่าจะเปจดตากรได้ษคว่ารู้ไม่เวยนไม่ไผ่ต่อใครแล้วไม่เวียไม่ไผยตัวเองไม่เป็นทุกข์ไมทำมาตัวเเป็นทุกข์ไม่ทำคนอื่นเป็นทุกข์ไม่เรื่องของกายของใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์ แม่ เ, เรื่องของตัวเองไปทำคนอื่นเป็นทุกข์มันก็ต้องหอดแล้วไปบอาผมอิจฉาไปพึ่รทำแล้วไม่ทำตัวเองไปทุกข์ไม่ทำคนอื่นเป็นทุกข์จิตอื่นเป็นทุกข์ต่ ว, ว่าสุขะโตบคุคคลสุขะติบคุคคลไปดีมาดีอยู่ดีมีสุขสุขที่ไม่ต้องสุข ความสุขจริงๆได้จากความทุกข์ความสุขที่ได้จากความทุกข์เป็นความสุขที่จริงๆอันความสุขที่ได้จากสิ่งอื่นวัตุอื่นได้ความสุขได้จากความสุขอันสุขจมสุขโผล่ได้แล้วจึงสุขมีเล้วจึงสุขได้ทําอันนี้แล้วก็สุขได้เห็นอันนี้แล้วก็สุขแับนั้นสุขแบบนั้นไม่ใช่สุข หาวอนสุขจริงๆมันสุขไปจากความทุกข์ลองดูจีเคยทุกข์มันผ่านทุกได้เนี่ยมันเป็นยังไงสมบัติต้องดูมันได้ความสุขจากความทุกข์แท้ๆควมทุกข์ทำให้เกิดเป็นผู้ที่เจ้าแท้ๆไม่ใช่ความสุขเป็นผู้ทีเจ้า ประสาทสามฤดูไม่ใช่ทำให้เกิดเป็นพรุทธเจ้าเจ้าเห็นทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยทำให้เกิดเป็นพุทธเจ้ า, จ, า, จ, าจะเรียกว่าสุขก็เป็นสุขที่เหนือสุขสุขแบบนี้ไม่ต้องอาศัยนิมิตนิมิตที่แนิทานมิเกศสุขสุขที่ยิงเมิตรสุขไม่ยิ่งเงมิร ไงไงถูกพูดไงถูกภาษาสัพ์ไม่ถู ก, ถ ก, าาถกใช่ไหมเพื่อนสุขที่ไม่ต้องเอือมิตรสิ่งที่เอื้อมมิตรจริงสุขไม่ใช่สุขที่เที่ยงเธออย่าไปกลัวเลยให้มันมีแค่มาเถอะว่าทุกเนี่ยเมื่อเกิดกับกากับใจเนี่ยนี่แหละถ้าไม่เกิดเห็นทำรู้ทำเห็นทุก Tunes, ถูกต้องแล้วถ้าไม่เห็นมันก็หนีจากมันไม่ได้ปัาทมปัฏฐิยังเลยกายจัว่ากายเวทนาจัวะเวทนาเวทนาคือสุขคทุกขนันละจิตจักวะจิตธรรมจัวะธรรมนั่นะเป็นหลักสูตรที่ครบครบ้วนที่จุดอะไรก็อยู่ตรงนี้ เป็นด่านากักจิตวิญญาณของคนถ้าผ่านด่านชีด่านนี้ได้ก็ก็ไปได้ทำไปเถอะว่าแต่ลู่ถูกต้องแล้วล่ะยกมือขึ้นลูซึกรลูยิ้มยิ้มลูเบาเบาลูซึ่ๆไม่ใช่ลูแบบเอาผิดเอาถูกจะเอาให้ได้จะทำใม้ได้ ไม่มาห้าวันเจ็ดวันเิบวันจ้าให้ได้ตั้งต้นผิดทำด้วยจับทาไม่เป็นไรไม่ใช่จะเอาไ้ให้ได้จะทำชื่อเื่อทำด้วยจับทาจะได้เหมือนต่างกันจะได้ต่างกันว่ามันผิดก็เห็นผิดง่ายง่า ย, ยางนี้ ถ้าทําเพื่อจะเอาผิดเอาถูกถ้ามันผิดก็ไม่ชอบถ้าถูกก็ชอบถ้าสงบก็ชอบถ้าพองาจก็ไม่ชอบนั่นตั้งหลักไว้ผิดแล้วเอาควาชอบกับความไม่ชอบตัดสินอันนั้นไปไม่ได้ไปทางขวางจะเจอตัวเรื่องนั้น ไ ด, ไ, ไ, ดได้ไม่ได้ได่ิ ด, ดถูถกยูแล้วมูกก็รู้เนี่ยรู้เยมันิดก็รู้มันส ก, ก็รู้มันงบก็รู้มันตรงจานก็รู้เพราะว่ามันเป็นรู้เป็นตัวเย็ยนอยู่แล้วรู้ที่กายรู้ที่การเคลื่อนไหวรู้สัมมัชฌะบัพภะคือการเคลื่อนไหว ก็จว่า ส, สมปัจจะาบาพะก็ว่าเราทำลายก็คือรู้สรู้ชื่อรู้ชื่อๆนี่เยห า, ายใจก็ว่าอานาปบาบพะคือ ห, า, หายใจเข้าลหมหายใจออกจิตบพะจิตที่มันคิดนั่นก็รู้มัน รูนะตัวรูตัวเดียวไปใช่กับกายกับกจิตกับสุขกับทุกข์ได้ทั้งหมดเลยทำได้ทุกชีวิตขอเป็นเพื่อนตุนมิมตรกับผู้ปฏิบัติจะไม่พาลงเทศหลงทางถ้าเกิดหลเพื่อนก่อนบางทีก็ไม่ต้องถามทำไปก่อนมันจะเฉลยทีหลัง ถามก็ถามได้อย่าไปกลัวนะเหงาเก่าจดจ่ทนาได้ส่วนตัวก็ได้แต่เวลานีนก็เดินไปเยี่ยมเพื่อนไม่คยได้ยืนนานก็ไม่คอยได้สมควรเจอเวลาวันนี้